8. สหธรรมิการวัคก้กรร ม, มปฏิภาหานะสิกขาบทว่าด้วยการคัดค้านกรรมที่ถูกต้องเรื่องพระชัพพคี 474. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่นาพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสูชัพพคีประพฤติไม่สมควรเมื่อสงกาลังทำกรรมแก่ภิกษุแต่ละรูป ได้พากันคัดค้านครั้งนั้นทรงประชุมกันด้วยกรณีกิจบางอย่างผู้ภิกษุชัพพัคีมัวตัดเย็บทีวร อ, อยู่จึงได้มอบชั้นท้าให้ภิกษุรูปหนึ่งไปที่นั้นทรงกล่าวว่าท่านตั้งหลายภิกษุนี้อยู่ในกลุ่มภิกษุชัพพัคีมาเพียงรูปเดียวพวกเราจะทำกรรมแก่เธอแล้วได้ทำกรรมแก่ภิกษุชาว พ, พัคีรูปนั้นต่อมา ภิกษุนั้นเข้าไปหาพวกภิกษุชาวพุทีถึงที่อยู่พวกภิกษุชาวพุทีได้กล่าวกับภิกษุนั้นดังนี้ว่าท่านทรงทําอะไรภิกษุนั้นตอบว่าทรงทํากรรมแก่กระผมครับพวกภิกษุชาวพุทีกล่าวว่าท่านพวกเราไม่ได้ให้ฉันท่าเพื่อจะให้ทรงทํากรรมแก่ท่านถ้าพวกเราทราบว่าทรงจะทํากรรมแก่ท่านก็จะไม่ยอมให้ฉันท่ไปบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตนําหนิประนามโพลทานาว่า ฉะนู้นพิสูจนุชาวพกีเมื่อให้ชันทะเพื่อกรรมที่ทำถูกต้องแล้วกลับตดเตียนในภายหลังเล่าคั้นพิสูจทตั้งหลายตำหนีพวกพิสุจชาวพกีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ